ลำ ด, ดับต่อ น, นี้ไปข อ, อทุกท่านตั้งใจฟังคาอธิบายสักครู่หนึ่งวันนี้ก็ไม่มีไม่มีคนฝึกใหม่มีแต่ท่านที่ได้แล้วทั้งหมดก็ขอแนะนำตามนี้เพื่อเป็นการรักษาลมจิตให้ฟองใสอันดับแรกให้วิยยางกระหมดรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อน แต่ว่าตอนที่กําหนดรู้ลวงแม่ใจเข้าออกอันดับแรกจริงๆก็ยังไม่ต้องภาวนาก่อนให้ใช้พิจรารณาเสียก่อนว่าการพิจารณานี่ให้พิจารณาร่างกายของเราเป็นสำคัญเทียบกับร่างกายของบุคคลอื่นดูร่างกายของเรานี่มันมีอะไรสะอาดบ้าง ดูทุกส่วนของร่างกายเนี่ยมันมีอะไรน่ารักตรงไหนบ้างจะดูผมผมมันน่ารักไหมผมที่มันจะสระสซลวยได้มันเหม็นสาบเหม็นสางเพราะเราเหวีเราสระเราสางเราทําอยู่เส ม, มอถ้าเราปล่อยไปตามสภาพผมก็ไม่น่ารักมันเดี๋ยวมันก็เหม็นสาบเหม็นสางผมก็ยุ่งกว่าเยอะ ไม่ยาวดูอะไรไม่ได้ถ้าเราจะบรดูหนังตั้งแต่หนังที่ใส่เลื่อยลงไปทั้งหนังฝ่าเท้าทั้งหมดนี้ถ้าไม่เราอาบน้ำไม่มีไม่อาบน้ำไม่ชำระร่างกายรอยเวตามสภาพมันน่าเกลียดหรือว่า น, น่ารักมันจะอาเจีสกปรก แล้วก็นึกไปใช้ปัญญาภายในที่เห็นว่าคนเราทุกคนท่านหนังท่านหลอกที่หมดไม่มีหนังกำลังหุ้มลองนึกถึงคนที่เขาหนังท่านหลอกปาะเปิดมันมีสภาพไม่น่ารักด่างดําๆดำดเฮ้ยขาวขาวดูแล้วไม่สวยงามสภาพร่างกายตัวนี้มันน่ารักไหม ถ้าดูเข้าไปข้างในไีทีตับไตไส้ปอดอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองทั้งหมดในร่างกายเนี่ยนึกดูให้ทีว่ามันมีอะไรน่ารักไหมต้องตัดทิ้งใจเองตัดทิ้งใจเองว่าร่างกายนี่มันสกปรกหรือว่ามันสะอาดมันน่ารักหรือมันน่าเกลียด ตอนนี้เราก็เอารมณ์เข้าไปนินทๆเรื่องราคาจริตราคะคือความรักในระหว่างเพศถ้าเราจะใส่จิตใจไปรักขึ้นระหว่างเพศเพหวังในการเป็นคู่ครองดูที่ว่าเรารักของสะอาดหรือว่าเรารักของสกปรกในเมื่อเราเห็นร่างกายของเราสกปรกร่างกายอีฝ่ายหนึ่งมันสะอาดตรงไหน ในการสัมผัสระหว่างกันอยู่ใกล้เพียงย่อมรู้สิ่งที่เราคิดว่าหอมมันก็เหม็นสิ่งที่เราคิดว่าดีมันก็ชัว่วสิ่งที่เราคิดว่ามันสวยสดสึยงามมันก็มีอาการไม่ส่งตัวมันเป็นแปลงสุขสมไปตามปกติให้ดูสภาพของร่างกายเราร่างกายเขาคิด่อทีมันเห็นจริง ให้การคิดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่แต่งงานมีคู่ครองแล้จะต้องอยากขาดกันเพียงสร้างความรู้สึกว่าสภาพของร่างกายเราคนดีร่างกายของคู่ครองก็ดีไอที่เราเมีอารมณ์เกิดความรักขึ้นมาให้ระวังเพศ่อทีอาศัยความโง่งเพศแต่ว่ามันโง่แล้วก็แล้วกันไป แต่งงานกันแล้วก็แล้วกันไปอย่าไปหาเรื่องอย่าร่างกันเปในเพนียงทําความรู้สึกว่าไอ้ร่างกายที่สุขบกแบบนี้ร่างกายของเราคนดีร่างกายที่คู่ครองคนดีมันจะมีสําหรับเราก็ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปที่ใร่างกายที่ในร่างกายเราคนดี ร่างกายผู้ที่มาเป็นคู่ครองเราดีไม่มีสำนักเราเมื่อทําความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ทําภารวิิตของตัวในทานฐานะ ห, หน้าที่ขอบบันไม่บานให้ครบถ้วนเมื่อเจริญกรรมฐ า, านไนมะ่อยากทำลายความดีที่อยู่สป็นบันหน้าที่เป็นใการใดปฏิบัติงานให้มันครบถ้วนเท่า น, นี้เพื่อความอยู่เป็นสุข ถ้่เคิดว่าเราจะเริยนเพื่อกรมรมฐานแล้วไม่ได้ฉันต้องการความสงบไอ้นนก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีอย่างนี้กรมรมฐานมันก็ผ่านสร้างความเดือดร้อนสร้างความขัดข้องสิ่งอะไรกนันเราต้องคิดนว่าการเกิดในชาตินี้เรามาก็ความโง่ก็ใช้นี่ความโง่มันตามหน้าที่ให้เต็มสภาวะครบคน มีหน้าที่อะไรที่ฟวาโง่มันใช้เราก็ปฏิบัติตามมันแต่ว่าไม่ใช่เราโง่จริงเราแกล้งทำโง่รับใช้ความโง่แม้ว่าถ้ามาเอื่ร่างกายนี้มันทังไปเมรัเราไม่ไปสงสัยมันจุดที่เราจะไปจริงๆก็คือพุทธา น, นที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อร่างกายเพราะอะใดพว่าก็ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้า ดูตัวอย่างพระอรหันต์ทั้งหมดท่านหมดสิเลตแล้วแต่สมเด็จเทพบที่แก้วก็ยังทรงเฉวยมพระกยาหัเพราะร่างกายมันต้องการกินถ้าไม่กินก็เดือดร้อนไอร่างกายที่คิดอดถ้ามันตายแต่มันไม่ตายหรอกยังไม่ถึงเวลามไม่ตายตอนนี้ท่านยังต้องนุ่งผ้าห่ผมผ้าก็เป็นการตรงการความอาย ทำไมพระอรหันยังมีอายอยู่เลยก็ต้องบอกว่าพระอรหันนี่อายมากกว่าคนธรรมดานอกจากอายในส่วนของร่างกายที่มันจะบป่ยวยแล้วยังอายความชั่วยด้วยความชั่วทุกอย่างพระอรหันอายหมดพระอรหันไม่อายเต็มใจเห็นได้ความดีอย่างเดียวเวลาหนาวเวลาร้อ น, นเวลาหนาวเพื่อเจ้าจังก็ห่มผ้า เวลาร้อนถ้าเราอาบน้ำที่ท่านทำอย่างนี้เพราะว่าในฐานะที่มันเกิดมาแล้วมีร่างกายก็ต้องปฏิบัติตามภาวะที่มีความจำเป็นที่ร่างกายมันต้องการเพราจิตใจของพระุทธเจา้าเขดีจิตใจพระราหี่เขดีไม่มีความปริศนาในร่างกายต่อไปในเมื่อมันเราอยู่อยู่กับมันก็ต้องตามใจมัน แต่เราก็คิดว่าทวารสุดท้ายมันก็เราจากกันเด็ดขาดนี่เป็นจุดที่เราจะมุ่งกับเวหาราคาความรักในระหว่างเพื่อมองจุดนี้ถ้ามันมีอยู่แล้วก็คิดว่าเราอยู่กับเศ้าศพแล้วก็ต้องทนอึดอัดในเศ้าศพแต่ว่าจะไปทำหน้าเสยยื้มแสดงความมัเกียดนี่หวานอมขมเกลือน ทำหน้าตาให้มัแช่มชื่นตามหน้าที่ไอร้รมย์เย่ยนนี้มาเรียนการตัดราคะไปในใจที่ละน้อยแล้วอราการที่สองโลภภพความโลภแล้วก็มันนั่งมันมองดูร่างกายว่าร่างกายมันสกปรกสกปรกอย่างเดียวรู้ว่ามันชึดมันสุดมันโสมไปด้วย ก็เป็นของเห็นไม่ยากไม่แก่ลงทุกวันนั่นก็ป่วยไในสุดมันก็ตายตอนนี้หากว่าเราจะมีความโลภโมทูลสัใเณรทั้งสินจะโลภไปทําไมเราโลภความโลภนี่เป็นไปเหตุการณ์สร้างความเดือดร้อนโลภหามันได้ผลสุดมันก็ตายตายแล้วก็แบทัศอะไรไปได้บ้าง อันแบกไปไม่ได้เรคิดว่าเราจะโง่มันจะโลภเพิ่อโอ้แล้วงโง่เพื่อโลภสุขประโยชน์อะไร น, นี่คาว่าโลภที่ก็หมายถึงความว่าหากินมนไดดนในโทวงทางสุดยอดทุจริตคดโกงเขาบ้างลอมแปลงของบั่งที่แย่งเขาบ้างอันนี้เขาเรียกวันโลภหากว่าหากินโดยสัมมาชีวะตรงไปตรงมา ถึงแม้ว่ามีความพยันตมันเพียนไปการใดก็ดีจะรวยเท่าไรก็ดีถ้าไม่เรียกว่าโลภจําให้ดีนะไม่ใช่ว่าตัดความโลภมีสันโดษแล้วไม่หากินเลยนะไม่่ถูกต้องหากินมีความพยันตมันเพียนมันมีร้อยคำทำได้พันมีพันทำได้หมื่นมีหมื่นทําได้แสนมีแสนทำนด้ล้านแต่ว่าเราได้มาได้ฟ้าสดใสอันนี้ไม่ใช่โลภเป็สมาธิวะ อย่างนี้เราทําไปแล้วก็คิดว่าไอ้ทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้คนเขารวยก็ตายกันมาเจอแล้วไม่มีใครก็แบกไปได้แต่ว่าที่อยู่ที่เราต้องทํามาหาจริงเพราะว่าร่างกายวัญญาณต้องกินต้องใช้ลูกหลายคนครอบครัวที่มันมีอยู่ยังต้องอาศัยเราเราก็ทําตามหน้าที่เขาพ่อที่ดีแม่ที่ดีคูที่ดีญาติที่ดีดแใบจบยายที่ดีให้็นต้น ทำไปแล้วก็คิดว่าตายเม่ไหนคนเหลือกันดูท่านาวิสาขาเหมาบาลิกาแล้วดูอย่างพระพุทธเจ้าพระธ า, ะาราดิจินีกาเศรษฐีผู้มีท่านรวยทางนั้นแล้ว่าจิตใจเราถ่าเวลาอยู่ถ้าทดำมาให้กินตายแล้วท่นนานเลยสนใจท่านปนิภานกันหมดเราก็ทำอย่างท่านนี้มาโมงมันดูวามเกิด ไอ้ความโกรธที่เราจะโกรธโดยเพื่ออะไรไอ้คนที่ทําให้เราหัดใจเรานล้วเป็นคนโง่ถ้าเราโกรธเขาได้ใจเราก็ไม่สบายอรมณมันไม่เป็นสุขถ้าเราจะคิดการแกล้งให้เขาทุกข์เขาก็ทุกข์อยู่แล้วนี่จะฆ่าเขาให้ตายเขาก็ตายอยู่แล้วรวมความว่าเราคิดว่าเราถูกคนว่ายั่วเยา้า ไอ้คนทําให้คนอืน่นโกรธให้มันมีสภาพไม่บ้ากว่าเมาคือเมาในความดีเมาในศักดิ์สิทตัวเมาในชีวิตเมาในยศถาบรรดาศักดิ์ในวันดีวนเด่นไอ้คนเมาประเภทนี้มันน่าสังเวชใจสะกดใจเขาไม่มีอะไรทรงตัวเมาเล่าพอเหลียวพอาหายแต่เมากายมันหายไม่เป็นนี่เราก็ว่าน่าคิดตัวจรงิงจังว่าคน คนสร้างความโกรธไม่เกิดขึ้นคนประเภทนี้เขาลำบากในชาติปัจจุบนันคือก็ปราศจากจิตรจิตคืทั่ ว, วมีความร้อนรอนตายก็ลงอวิชช์ตายแล้วก็ลงนรกไปยาวนรกมาเป็นเปรตจากเปรตมาเป็นสุรกายจากสุรกายเป็นสติสัญจากสติสัญญเป็นคนง่อยเปรี้ยเสียขาทุกคนลภาพ ดะนั้นสภาวะความโง่มันเลยทามอย่างนี้เราก็ไม่ขอพบความโง่ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกใจเขาห่งเขียนแล้วเขหลีกไปก็ค่อย เ, ค, อยเค่อยทำกิตมันแบบนี้นะเพราะว่าเราไม่ต้องการแตยย่ใบอ็ถูกมาดั่นว่าทีงความหลงความหลงนี่ก็สรุปไว้คือว่าเราจะไม่หลงในรูปสวย เสียงพระตื่นหอหมลดอร่อยสัมผัสระหว่างเพศมีแล้วก็แล้วกันไปสร้างความเบื่อไว้ในใจทำงานในหน้าที่ทําให้ครบที่วันเลิกกันชาตินี้เป็ชาติสุดท้ายเราจะไม่หลงในโลภความกโกรธ้อขอโทษเราไม่หลงในโลภความโลภคุ่อยากได้สับสมบัติของคอืี้ เราได้มาเราก็แค่นั้นเราหากินเรามีน้อยเรากินน้อยเรามีมากเรากินมากใช้มากใช้น้อยตามฐานะไปโลบหมไปแลมม้วขโมยกรโจนไปข้าไปคดไปโกงเข้ามามันตอนสะ้งไหวเกลือเราไม่ต้องการเราอยู่เพื่อกินแล้วว่ากินเพื่ออยู่เนี่เรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินแล้วมันไม่ช้าก็ตายมีเท่าไรก็พอใจตามจิตวิาหารได้ก็ไม่ยอมไม่ยอมหลง และก็ยังไม่ยอมหลงในอารมเป็นนั่งโกรธที่ที่ข้าเก่งข้าชา บ, บ้านก็มันเป็นทา ง, างาหให้นํามาถึงความร้อนจิตใจคิดอย่างนี้เขาถึงลอยอารมณ์ในที่สุดเมื่อบัญญามันเกิดมันก็จะเกลียดในร่างกายเรามันเียดในร่างกายคนอื่นถ้าอารมณ์เกลียดเกิดขึ้นจริงๆแล้วต่อมาก็มาอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความโกรธมันก็เริ่มดับ ให้ความโกรเป็นเกิซขึ้นมันได้เพราะอาศัยความรักที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าปิยโตชาติเโสโกปิยโตชาบดิยตตพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักแัยอันตรายเกิดจากความรักสิ่งที่เขาทํากระทบกระทแทกใจเราที่เราโกรธเพราะเรารักตัวเรามากเกินไปเกินตัวดีเราลืมความเป็นจริงว่าถ้าเขาติว่าเราเลว ถ้าเราดีสัอย่างมันจะเร็วตรงไหนแล้ก็ชมว่าเราดีถ้าเราเร็วมันจะดีตรงไหนมันก็ดีไม่ได้พป็ยามรักษากำลังใจไว้อย่างนี้เป็นโทติดทุกการตักิเลสเพื่อบุนผ่านหลังจากนั้นเมื่อพิจารณาจะไีที่สบายใจใจของเราสามารถปลดในขณะที่พิจารณานี่มันเบื่อ คิดทั้งร่างกายเราคิดทั้งร่างกายคนอื่นมันก็เบื่อแสนเบื่อถ้าเบื่อตัวนี้ตัวเดียวมันก็เบื่อโลภะความโลภไปด้วยมวบเบื่อโทสะความโกรธเบื่อโมหะความหลงเพราะในเมื่อเราเบื่อร่างกายแล้วเราก็เบื่อทุกอย่างเบื่อร่างกายเราแล้วเราก็เบื่อร่างกายคนอื่นตัดอื่นทั้งหมด แต่เราก็ต้องใช้สังขารุเพศกายาในฐานะที่อยู่ร่วมกันเป็นสามีภัญญาและคนร่วมชาติคนร่วมโลกนี่ว่าอดกลั้งทนอยู่คนทำทนทุกอย่างอย่างภาษาที่ตบบมดจะบอกกับข้าว่าเราอยู่ในความอึดอัดเราอยู่ด้ความลำคาญเจ้าหน้าตาท่านแช่มชื่นเพราะท่านมีความคูดว่าเมื่อหมดภาระเมลัย ร่างกายที่มันพังอะไรขึ้นไปในพันเหมือนนั้นเหมือนเวลานี้ทําใจเหมันกับว่าเราอยู่ในเรือนจาวันเวลาล่วงไปเท่าไหรแเรวก็ใกล้จะพ้นโทษเหมือนนั้นเมื่อเรือนจําคือร่างกายที่มันพังมาอะไรเราก็พ้นโทษพ้นออกไปเพราะว่าร่างกายจะขังเราไม่มี หมดคำมิภาษาตามกฎสุกรรมหมดังจากนั้นเราก็ไปนิพพานถมีใจมันสบายดังนั้นเมื่อเวลาที่เราพิจารณาแบบนี้ให้มันเห็นชัดๆนะให้มันเห็นจริงๆมองใช้ทำกำหนดรู้ลมใจเขาออกไปด้วยนะให้ใจเข้าใจออกแล้วค่อยๆคิดไปบรรบายจับร่างกายซิก่อน มองดูความสกปรกของร่างกายมันมีส่วนไหนบ้างเป็นสกปรกที่มันน่าเกลียดอาการกิริยายอย่างไรของร่างกายที่มันสกปรกที่เราคิดว่ามันสะอาดที่เราคิดว่ามันดีมองหาจุดนี้ด้วยกำลังของปัญญาและก็มองดูร่างกายของบุคคลอื่นกับร่างกายของเราเข้าไปเทียบกันว่าร่างกายของเชาวบ้านโลกทั้งโลก คนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดมั น, ม, นมันน่าดังเกลียดมันร่างกายเราไหมการพิจารณาร่างกายเนี่ยจุดเดียวเป็นได้ธรรมโสนดาสุทาคารนาคารหันถ้าเราพิจารณาร่างกายจนถ้ามีความเบืนน่อในเายนสภาวะมันสกปรกสมมุ่ไม่น่านรักหยุค่อยๆ่อนคลายรักษาความรักในระหว่างเสษโลงทีลีน้อยละน้อย ในที่สุดถึงจิตตายได้หมดความรู้สึกที่เรียกว่าจิตมันจืด อ, อารมณ์มันจืดว่าอันดั บ, ดบแรกมันเกิดที่พิธา ย, ยายคำเบือนนายก่อนเบือนนายก็ต้องมีความรู้สึกถ้ามองทุ่งร่างตรงขึ้นมาเม่อไรแล้วมันอยากจะออเกียนมองเฉยๆก็ช่ชางตึกใครก็ชมว่าใครว่าสวยคนจว่าใครสงา่า มองไปปั๊บอีกทีดูสภาพสามความจริงหรือภาพตรงกภายนอกความทุกโต่งที่นภายนอกหรือความสุขสบกภายในให้จิตใจมันปฏิเสธแล้วมันจะเห็นซ า, นากศพที่เน่าเหมือนกับที่ทิ้งกล่าวไว้นาฬิไนข้อที่สามเหมือนกับชายหนุ่มกับหญิงสาวก็อาบน้นําดีแต่งกายดี ใครก็เอาสุนัขเน่ามาแขวนคอแล้วงูเน่ามาค้องอคอถ้าเกิดความดังเกลียดทั้งใดเราพิจารณาดูร่างกายเราร่างกายคนอื่นตัวดังเกลียดชันนั้นเพราะอะไรเพราะพวกเราได้มนโนวิธีเรารู้แล้วแต่ตัวเราจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายนี้ตัวเราจริงๆคือเราที่ไปสวรรค์เราไปพรหมเราไปวิญพาณ เราไปเที่ยวในโลกไปเที่ยวแดเนเปลือยเที่ยแดนตัวา ย, ายานั่นน่ะมันเราจริงๆไอ้ร่างกายนี้มันเป็นเปลือยเปล่าหน้าที่อาศัยโชกกล้าที่เรียกว่าเรียนจําที่เราจะต้องจําอยู่อย่างนี้เพราะกรรมที่เราเคยสนเดิมมันสัสมให้ถ้าเราสามารถตัด ก, กำํำลังใจนี้ได้มีความเบื่อหน่ายจริงๆค่อยๆคิดนะได้นจนถ้าหมดความรู้สึกในในเพศ และ่ก่อนที่ยังหมดความรู้สึกในเพื่อนเมือจิตมันมันเทาถ้าพระเขสังเกตยากนในทศว่าสังเกตง่ายหน่อยสังเกตดูอารมณ์ของสินที่แรกจิตเรยจะทรงสินห้าบริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พ้อยได้เจตนาเพราะสินห้าทรงไม่ได้แค่ประสดาวไปกสิธาธรรม แต่กำลังจิตเกิดความเบื่อหน่อยร่างกายขึ้นมาตามระดับไม่ถึงที่ไม่ถึงหมดก็เริ่มจิตพอใจในสิ้นแปดถือสิห้ามมันไม่สบายใจมันไม่พอใจสั่องอย่างได้สิ่งแปดเมื่อจิตมันมีสภาพอย่างนี้ท้าควรจะรู้สึกตัวว่าถ้ามันเรื่องจริงๆนะอย่าไปปลอมมันระวังจะแปวนรมชาญแนละลมพิพินา ถ้าไปรมคิดเห็นคนปั๊บเบื่อเห็นคนปั๊บเบื่อเห็นคนเนสัตว์เห็นมังเศร้าตกอย่างนี้แล้วก็จะมาติดอารมณ์จริงๆไม่ต้องเป็นดั่งคิดไม่ต้องพิจารณาใครถ้าพูดถึงคนว่าดีว่าสวยพูดถึสัตว์ว่าดีว่าสวยมาเสิยเสียนทันทีแล้วถ้าอารมณ์เป็นอย่างนี้แล้ว่าใจต้องการสีแปลกถ้าไม่ตรงสิ่งแปลกกิเลสไม่เป็นสุ อาลสาชิ้นแปดได้จิตมันเป็นุกอย่างนี้ท่านเรียกว่าว่าอนาคามีมรรคแล้วก็ใข่ควรไปทีละน้อยแะ่น้อยต่อไปจนถ้าความรู้สึกในระหว่างเพศหมดมีอารมณ์เกลียมีอารมณ์เกลียตัวนี้มันไม่เห็นใครเป็นศกแล้วเห็นคนก็เป็นคนมันก็วัดโข เห็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ม่ว่าถูกแทนที่เห็นไม่ทราบเป็นศพมันไม่เห็นนั่นมันเลิกอี่ตอนนั้นมันตัวฝึกเพรานั่มันเลิกหมายว่าคนก็คนสัตว์ก็สัตว์เราเป็นผู้หญิงเห็นผู้ชายก็เหมือนได้เห็นตุ๊กตาผู้ชายเห็นผู้หญิงก็เหมือนเห็นตุ๊กตา มันไม่มีอะไรมันไม่นึกว่าตุกตาเน่ามันมนึกว่าตุกตาดีไ ม, าาามไม่นูกวาตาตาสวยทำไมนึกว่าตุกตามีความ น, น, มนมิ่มนวลมันมนึกว่าตุกตามีามความรักคนที่เหนหน้ารักถือมันเป็นวัตถุชนิดหนึ่งตอนนี้จิตมันเหือดแท้งจริงๆจากราคะถ้าจิตมันเหืดแห้งจริงจากราคะโทสะเมื่อยทางไปด้วยมั้จะไปตีเรา ถ้าราคาพังในโทสะพังไปด้วยไม่ต้องไปนั่งปีโทสะตอนนี้จิตมันเห่อแท่นอย่าราคาเกิดถึงคนก็ชืดชืดจืดชืดไอ้คําว่าชืดมาจืดที่ไม่ใช่ใจจืดไปด้วยนะมันชืดจืดที่ได้ความรักใระหว่างเพศหมดความรู้สึกในตอนนั้นนั่นแหละไอ้โพสะตรงนี้มันก็เลยสลายตัวเป็นสองกันไม่ต้องนั่งไล่เบียรกัน ใครเคยย่วยุ่ยเย้ยเย้ยเย้ยวเยะ ว, ว, ว่าอย่างไงก็ตามไม่เคยโสดแล้วไม่ยักโสดตอนนี้นี่แหละท่านเรียกว่าเป็นพระอนาคามีผมนี่วันนี้ไม่จะพูดนิดเดียวนะกันเลยไปอยูแล้วรวมความพยายามรักษาลมใจไว้ตามนี้นย่งที่พูดสารลำดับเพราะว่าจะได้ไม่ประมาทถ้าโซนใจไว้ตามนี้เราจิตมันสบายจิตมันดึงสุข ตอนนี้พุทธะกำลังใจเราจริงๆก็จะลืมอันดับแรกทรงโสดาบันให้ได้สักก่อนถ้าโซดาบันเป็นญ้าปากคอบแค่สินบริสุทธิ์กระว่าเปแค่สินห้าเท่านั้นรหดับพระในไ้่มีสินจํากัดต้องเป็นสินของพระเนรบริสุทธิ์ไม่ว่าสินของใครสินของมัน เมื่อสินใบกดแล้วจิตใจรักตั้งจิตไว้อย่างเดียวว่าตายครานี้ปนิพัานแล้บรโสดาบันสิกขาธรรมมียังมีความรักจะมีการแต่งงานยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธแต่ไม่ฆ่าใครไม่โกงใครตัเองไม่ทำการมเมสมีสาจย์รักระวังคู่ตัวผมเมีย น้าถ้าเราเป็นพระโสดาฯทรงความเป็นพระโสดาบันได้แล้วตีก็ตีย้อนไปสุดสุดท้ายคิดว่าถ้าตายข่าวมีทรัพย์สมบัติสามีหรือปัญญาไปไหนก็ช่างไปเรื่องของเขาเราตายแล้วก็แล้วกันคนที่ตายแล้วคนผู้ชายไม่เสนมมานอกนกบปัญญาถ้าปัญญาที่ตายแล้วไม่เสริมขงข้าวไอ้สามีกินไม่มี ตายแล้วกปแล้ววันไปเลิกเราไม่มีความอะไรไม่สามีในปัญญาในบุติไดในทรัพย์สินเพราะตายแล้วมันหมดหน้าที่ถ้าตายว่าคราวนี้เราก็เลิกแล้วก็ไปนิพายจับจิตไว้จุดเดียว ท, ที่ว่านุสันโลกเทวโลกโทมิโลกไม่ต้องการมันอีกมันยุ่งมันยากนะเราต้องการจุดเดียวเัียคือผลิตภัณฑ์นี่คืเอาควา อ, อ ร, ารหัน ถ้าจิตมันทงตัวได้อย่างนี้จริงๆแล้วถ้าไม่มีความห่วงใยในร่างกายคิดว่ามันพังเมื่อใดก็สบายแต่วันไม่พังก็เลี้ยงมันอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็กพังแล้วไม่สงสัยในคําสอนพระพุทธเจา้ามีความพู้มันมีความไม่คงในคําสอนพระพุทธเจา้ามีศีลบริสุทธิ์ระงับดับความรักในระหว่างเพศ ดับความกลัวอารมณ์ไม่ติดอยู่ในรูปประฌานแล้วรูปะฌารูประฌานเกินไปสร้าใงใจวางนิพานเป็นที่สุดไม่ถือตัวไม่ถือตน ไ, ไม่ทําอารมณ์ให้ฟุ้งสร้างเพือตัดอารมณ์ตรงอนิพานโดยเฉพาะแล้วก็จิตใจก็ไม่ติดอยู่ในมนุสสนโลกหรือว่าโลกเดิมมนโลก จิตไป่คลองไม่สงสัยเลยไม่ไม่แตะไม่ตองไม่ตองการมันอีกจะไปคิดว่าแมถ้าเราไป น, นิพพานไม่ได้เราพักแค่มนุษย์รือว่าเทวดาแลวสงฆ์ก็อย่างดีไอ้แบบนี้ไม่มีมีอารมณ์อันเดียวว่าตายคราวนี้ร่างกายฟังอะไรฉันไปนิพพา น, นั้นคนรักจริงๆถ้าจิตใจทำได้อย่างนี้แล้วก็อันดับแรกก็เป็นป อ, า อ, อาราธมธรรมก่อน ถ้ารหัตมะ่็ใจจิตมันก็ชุ่มชื้นแต่กระวาดเปรอะหันต่ออาณาจักรผลทวยพระหันจริงๆเมื่อไรเป็นวันนี้พวกนี้นิผ่านถ้าพระเปรอรหันเมื่อไรอย่างนิ้ผ่านไม่ได้เพียงกว่าจะหมดอายุไขถ้าต่อที่ไม่ไปเราขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดารงจิตให้มั่นกําหนดรู้ลให้ใจก็ออกจะพิจารณาหรือว่าภาวนาก็ได้ โดยเพาะ อ, อย่างเยี่ยงถ้าพิจิรมาจนใจสบายดีแล้วก็จิตจับพระรูปพระช้ององค์สมเด็จพระปฏีทแก้วหรือพระเจ้าตัว น, นี้จะใสสั้สว่างณตอนนั้นจะไปไหนนะไปพุทธลามมณีด้วยไปไหว้สผู้มีคุณไม่ไปสิิพัน์เล ย, ไไเลยออกต่างใจถ้าจิตใจปสบายจริงพระโรคดงกลางใจปั๊บพุ่งก็ไปเลย ตอนการพระจุลามณีกับพระจุลามนีจะไปหาใครออกไปไหว้เสร็จแล้วจบปลายที่สุดที่เราจะไปแนัก็พักอยู่นั่นคือพณิพานธ์หรือว่าเริ่มต้นในโรควงกำลังใจเห็นมพระพุทธเจ้าแจ่มใสพระนิพันธ์ก่อนก็ได้ไปพนิพันธ์รับตรงมันทีนิพันธ์ก็ได้อยู่ที่พันพอใจกับลงตรงข้างล่างตามมัติญาสายถ้าเริ่มปฏิบัติได้ยิ่งก็ยิ่งจันบอกหมดเวลา